ปฏิบัติทำกันลองตวัดเยินอันนี้เยินวันที่สองมิถุนายนเดือนเจ็ดอีกสองวันเป็นวันวิสาขะเป็นี้เดือนเจ็ดก็ กาเป็นเดือนของวิสาขปกติวันเป็นเดือนหกเจอว่าวันนี้นะักสองพันปะปีเป็นวันที่เจ้าเริ่มเอใจแล้วสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะกำลังบำเพ็ญทุกข์กริยาอยู่ที่ทำดงคาสิลิเอใจเรื่องพินสามสาย ได้นิมิตได้ยินได้ฟังแล้วกลับมาน้อมก็มาใส่ตนเห็นว่าสิ่งที่กาลังปฏิบัติอยู่นั้นเป็นอาตากลิมตานุโยกทำตัวเองให้ลำบากเป็นทุกข์ตั้งใจเคียวตุมเกิดที่กายก็ายามที่จะดีกรอบกันลมหายใจ อดอาหารนั่งมันอยู่ไั่นะนั่งสมาธิแต่พอเห็นว่ามันเป็นอัตตาคุณธรรมยกตึงไปมันก็จะขาดเหมือนพินสามสายทำอะไรต้องเป็นกลางมีความพอดีให้มันตึงไปพยายาม เบียดเปลี่ยนตัวเองถ้าตึงไปมันจะขาดหย่อนไปก็ดังไม่เพราะเองหย่อนไปก็หมายถึงกรรมสุขาและการนโยกได้ดังใจสุขสมอยากเคยมีความสุขแต่เห็นว่ามันมีการแก่การเจ็บการตาย เราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นพัดพาจากของรักของช อ, อบใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ถึงนั้นเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเห็นนักบวชก็ลองเดินทางนี้ดูแต่ค้นหาลองผิดลองถูกมันใช้เวลามาออกปี พอคิดเรื่องพินสามสายมีมัจฉิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่ถึงไม่หย่อนพอดีพอดีเออทางนี้แหละปิ้งขึ้นมาออกจากธรรมนงก้าฉลีกระเซิงกระเซิงเดินหมดเรี่ยวหมดแรงมาบ้านของนางสุชาดาริมฝั่งแม่น้ำเนรัญจรา นางเห็นคงจะเป็นเทว ด, ดาก็เอาข้าวมาทุกปลายาดไปเส้นบวงสรวงสองเวยรให้ท่านได้พิจารณา mm hmm. หลังจากที่ฉันก้าของนางสุจดาไปก็มีเรียวมีแรงขึ้นไหม ไม่ได้อาบน้ำอาบท่ามาหลายวันพะอาบน้ำอาบท่าขึา้วมก็สดชื่นแล้วก็เริ่มมานั่งเอาใหม่วางกายวางใจใหม่สังเกดได้ความพอดีความสมดุลเอาไปเอามาบรรลุธรรมอีกสองวันวิสาขะเลิก เทศกาลของพุทธเจริตีันตร้อยปีปีนี้เวียนมาเปนจบครบของเราเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาประเทศไทยยังมีวัดวาอารามมากมายทั่วประเทศก็ดูอบ อ, อุ่นทีเดียวมีชีวิตชีวา ให้ประชาชนคนทั่วไปที่สนอกสนใจก็ได้ร่วมกิจกรรมเราเข้าถึงเลยปฏิบัติบูชาสร้างความรู้สึกตัวมีความเพียรอาตาปีระดับฉันท ะ, ะพัฒนาขึ้นมา เป็นอาตาเปสัมปชาโนสติมาวิเนยยะโลเกวิชาโทนัตสังมันเป็นความเพียรที่เราเพียรจะปฏิบัติเพียรลนนักษณะนี้มันไม่ใช่เป็นตัณหามันเป็นความปรารถนาที่จะทำนิพพานให้แจ้งมันเป็นฝ่ายกุศลายฉลาดนะ ไว่ความดีความงามไข่ความเจริญเราก็เพียนที่จะกลับมารู้เน้วรู้ตัวเห็นอาการต่างๆตามความเป็นจริงเห็นแล้วเห็นอีกคิดไปกลับมาคิดไปกลับมาคิดไปกลับมาแล้วปฏิบัติหลงไปก็เปลี่ยนเป็นรู้ห ล, ลงไปก็เปลี่ยนเป็นรู้รู้สึกตัวรู้สึกตัว แล้วก็ทําแล้วทําอีกเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวอีกเจตนาเคลื่อนเจตนากระทํากลับมาฐานมันก็เข้าถึงธรรมชาติมันเข้าถึงเพราะว่าเรารีดเราตีกรอบเรากดเรากาหนดเจตนาทุกมันก็ปรากฏนั่งปฏิบัติมเมื่อปวดก็เมื่อย เดินไปบวชก็ปวดก็เมื่อยอยู่น้ำปวดปัสสาวะปวดอุจจาระมีความเบือ่อมีความเซ็งมันก็เป็นอาการของธรรมชาติติ่มปลากฏขึ้นมาเราก็เลือกไม่ถูกไม่ผิดตัวเป็นประสบการณ์ที่ดีเราก็เพียนรู้เพียนรู้ เกิดอะไรขึ้นก็นไม่เข้าไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวกลับมากลับมากลับมาปฏิบัติทำยิ่งเคลื่อนไหวได้เป้าโต <c oughs> เป็นการยิงตโนยิงปืนก็เป้าโต <c oughs> เป้านิ่งเป้าใหญ่ยังไงฝึกหัดใหม่ๆก็ยิงถูกอยู่แล้ว พอมันชำนาญ <c oughs> พอมันชำนาญมีประสบการณ์สูงมันก็เริ่มที่จะยิงเป้าเล็กได้นกบินยิงได้คารลอนจานเป้าบินก็ยิงถูกอันนี้สมมติอุปมาอุปไม่ความคิดมันเหมือนกับเป้าบินแล้วว่องไว มีความรวดเร็วสติปัญญาจะต้องไวกว่าความคิดขยับปั๊บรู้ปุ๊บเต็ทีรู้ตรงรู้ถูก mm hmm. เห็นตรงตามความเป็นจริง mm hmm. เกี่ยวข้องถูกต้องสติก็จะจัดระเบียบบริหาร ให้มัเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมารู้รู้ถูกเห็นเป็นปัจจุบันเป็นอาการของรูปธรรมนามธรรมเห็นเป็นพระไตลักษณ์เกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยมีหนักมีเบามีทุกมีไม่ทุกซ้ซ้อนกันไปมาพร้อมกันหลงก็รู้หลงก็รู้มาพร้อมกันอย่างเงี้ยขนาดต่อขณะลิ้นต่อลิ้นฟันต่อฟัน ถ้ารู้ก็ต้องมีหน้าที่รู้ตัวหลงก็ทำหน้าที่ของเขาตามกฎแห่งกรรมหลงดีหลงชัว่วหลงบุญหลงบาปเราก็รู้แล้วรู้แล้วนักกรรมฐานเห็นจนจำได้ก็เลยเป็นโอกาสที่เราจะปฏิบัติบูชากันอย่างนี้เลยเข้าถึงสภาวะของพุตตะ ก็คือแปลว่าอจิตปกติรู้ตื่นเบิกบานจิตเดินประพัดสอนป่องใสไม่ใช่จิตมัวจิตมึนจิตซึมมันยิ่งรู้แล้วก็ยิ่งตื่นปฏิบัติทุกขงเป็นอย่างนั้น มันก็คุ้มค่าในชีวนมนุษย์มามามืดไปสว่างแล้วมาสว่างก็ไปสว่างเดินทางพัฒนายิ่งขึ้นไปเบากายเบาใจเบาเนื้อเบาตัวโลง่งลงอกเคยหนักอกหนักใจเหมือนถูก เขา ห, เหินมันทับเอาไว้เมื่อกี้ก็ลูกมันทับเอาไว้นความรักความโหยงใหญ่บางทีหลานมันก็ทับเอาไว้นความรักความโหยงใหญ่งานการบ้านช่องเท่าสมบัติมันทับเอาไว้ ความคิดน่มันอยู่ในตัวแต่มันไม่มีตัวตนตมันหนักหนักอกหนักใจเนี่ยพอเรารู้สึกตัวปั๊บก็ปลดปล่อยความรู้สึกตัวจึงมีพลังนะแล้วก็เป็นครตอบมันไม่ใช่คิดหาทางออกแต่เป็นการสัมผัสแล้วหลุดทันที กุกครล้งที่เกิดการสัมผัสขึ้นมาโดนกันระหว่างเนื้อกับเนื้อธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมลมอคันะกายยาวิญญาณกัมโนวิญญาณเคลื่อนไหวรู้สึกมันก็เป็นคำตอบของผู้ที่ปฏิบัตินะผู้ที่ทำกิจกนะิจการเรียกว่ากรรมฐานกนะิจกรรมเรียกว่ากรรมฐาน ทา้งในรูปแบบท้้งนอกรูปแบบในรูปแบบก็มีที่เรามาฝึกมาหาดมาวัดวาในเทศกาลเนี่ยนะนอกรูปแบบก็มีเดี๋ยวจะให้สถาปนิกนี่พูดนิดหนึ่งนอกรูปแบบเกยปฏิบัติอยู่ในวัดพระ ก, กวงแต่ตอนนี้เป็นโยม จะลองให้ดูว่ากรรมฐานนอกรูปแบบที่กลับไปบ้านมันยังมีใช้อยู่เปล่าฟังไหมฟังไหมถามทุกคนด้วยถามทุกคนเคน่เนยองกวงออกมานั่งตรงนี้เลยนั่งเน่ ตอนที่ปฏิบัติทำเนี่ยโอ้ตั้งใจบวชหนึ่งเดือนลุยอยู่ทางเดินจงกรมพอสึกไปเป็นทิศเนี่ยทิศนานๆจะเห็นทิศย้อนกลับมาดีใจใครบวชกลับมาถือว่าโ อ, อ้มีเชือ้อมีเชื้อครนี้ก็บอกปฏิบัตินอกรูปแบบนอกรูปแบบนี่มีกิจการของตัวเองใช่ไหม รับออกแบบโยกเพื่อนใช่ไหมสถาบันนิจุลา<ม>ก็ต้องมีปัญญา<ม>นะอันนี้การไปใช้ในชีวิตจริงๆอันนี้ขอเก็บเป็นข้อมูลนิดนิดเองก็รู้ตัวเองก็เคยปฏิบัติเกิดเป็นโยมเคยนั่งเคยเดินเคยยืนเคยนอนเคยใช้เวลาเช้าสายไปเข้ากับการปิดบัติที่เปิเป็นปลานี่ยหลังจากปฏิบัตินานๆแล้วหนะ่ 252726้าย่สเจยี่หประาน ล, ลจนถึง 4-2 สองะ2542้าอย่อก็ทาอยู่เรื่อ ย, อยปฏิบัติอยู่บ่อยๆมันช่วยเราได้อยู่จากหนักเป็นเบาแต่ว่าจะถามทิดกวงในรูปแบบที่เคยฝึกหัดปฏิบัติตอนเป็นพระ แล้วก็ออกไปนอกรูปแบบตอนเป็นโยมมันมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็การจลสติมันพัฒนาไปมากน้อยเพียงใดหลังจากที่ซึ่อ อ, อกไปอยู่กับโลกมันมีลมมากระทบเวลาเราเรียนเราหัดไหวนะมิ่หัดไหวในสระเราเรียนอยู่ในรั้วของมหาวิลลยแต่พอไปเจอประสบการณ์ตรงข้างนอกโอ้โหมันไม่รู้จะใช้ชั้นชั้นเชิงตัวไหนเลย เว ล, ลาออกท่าทางแบบไหน ม, มันถึงจะพาตัวเองไม่ให้พลัดตกลงไปในความทุกข์ในการปรุงการแต่งในความคิดเผลอหลงบ่อยไหมแบ่งปันนิดหนึง่งโยมมาเยอะพระก็ยอยู่ที่นี่ก็เยอะรูปแบบสำคัญหรือไม่ไมนอกรูปแบบเราก็สามารถทำได้แต่ว่าได้มากได้น้อยเพียงใด าการย้อนกลับมาในวัดเนี้ยกลับมาเพราะาคิดถึงไทยเหรอคิดถึงหลวงพ่อเขียนคิดถึงแม่เพียนหรือไงคิดถึงไทยคิดถึงบรรยากาศวัดปา่าสุกโตรหรือไงนะเชิญครับก็ขออนุ ญ, ญาตพูดนะครับก็ักบครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับกับพระอาจารย์ทรงศีีแล้วก็กับหลวงพี่ทุกๆ ท, ท่านครับผมกาบแม่ชีทุกคนนะครับ ก็กราบญาติโยมเพื่อนๆทุกคนก็เดี๋ยวขาตอบคำถามพระอาจารย์ก่อนนะครับก็ก็การปฏิบัติพอศึกไปเป็นโยมนะครับก็ก็จะมีเวลาปฏิบัติในรูปแบบน้อยลงเยอะเลยครับก็คือจากตอนที่เราเป็นตอนที่เป็นพระเนี่ยตอนปวดอยู่ก็พยายามแบบทั้งวันก็พยายามจะทำเหนื่อยรูปแบบนะครับแล้วก็ ตอนนั้นก็ไม่ได้เห็นผลอะไรมากนะครับแต่แค่รู้สึกว่าแบบอโอเคเราเรารู้สึกว่าเรามีส ต, ติในชีวิตประจำวันเยอะขึ้นแต่พอไปเป็นปมยมโยมมันแบบมันเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเรายิ่งเห็นความแตกต่าง <Over S 1> นะครับว่าว่าเมื่อก่อนเราเคยใช้ชีวิตยังไงแล้วตอนนี้เราแบบเราใช้ชีวิตยังไงนะฮะก็คือพอไปเป็นโยมก็เวลาเราทําทุกอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ ย, มยก็พยายามจะมีสตินะครับแต่ว่าก็เห็นข้อแตกต่างเลยว่าการที่แบบ ปฏบัติในรูปแบบน้อยลงกว่าตอนกว่าเดิมเนี่ยมันทําให้แบบสติเราก็แบบหลงบ่อยขึ้นนะครับจากตอนแรกๆมันเหมือนกับยังมีของเก่าเยอะๆเราก็ยังรู้สึกว่าแบบเราปฏิบัตินอกรูปแบบได้เรื่อยๆนะครับก็พอเวลาผ่านไปสักฟากหนึ่งก็รู้สึกว่าเออเราเริ่มแบบเหมือนมันเริ่มกิเลสตัณหามันเริ่มเยอะขึ้นนะครับแบบความสํารวมหรือว่าแบบหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเราใช้ชีวิตอยู่ในร่องในรอยมันเริ่มแบบมันเริ่มมีอะไรมาแทรกบ้างอย่างเงี้ยครับผมก็เลย กว่าแบบต้องต้องทำในรูปแบบบ้างก็ทุกวันก็พยายามแบบพยายามจะพยายามหาเวลาปฏิบัตินะครับก็วันหนึ่งแบบบางทีก็15นาทีชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่นะครับแต่ก็แต่สิ่งที่เจอปัญหาก็คือแบบพอพอออกไปทํางานแล้วแล้วงานมันค่อนข้างหนักแล้วเราก็แบบบางทีพอเราจะมีเวลาปฏิบัติอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็เหมือนกับไม่ค่อยมีแรงปฏิบัติตอนปฏิบัติมันก็แบบมันก็จะง่วงมันก็จะจะเหนื่อยครับไม่เหมือนไม่เหมือนตอนเป็นพระนะฮะ ก็เลยรู้สึกว่า้รูสึกว่าการปฏิบัติในรูปแบบสําคัญมากสาหรับสํารับผมด้วยนะครับสําหรับแบบผมที่แบบเหมือนกับยังเป็นผู้แบบปฏิบัติเริ่มต้นอย่างเงี้ยนะครับก็คือเลยต้องพยายามทําให้มากเข้าไว้ครับผมแล้วก็ที่กลับมาที่วัดนี่ก็คิดถึงก็อยากมากราบพระอาจารย์อยากมาอยากกลับมาที่นี่ก็คิดถึงที่วัดครับผมเวลาเวลาปฏิบัติตอนอยู่ที่กรุงเทพก็นึกถึงว่าตอนอยู่ที่วัดตลอดนะฮะ นึกถึงแบบต้นวงต้นไม้อะไรอย่างนี้มันก็แบบคิดทีด้งแล้วก็สบายใจครับผมน <laughs> ึกถึงแม่เพียรเน อ, <laughs> อ่ยก็ให้เสริมนิดนึงให้แทรกตรงที่ว่าในรูปแบบนอกรูปแบบจริงๆถ้าเราทําเป็นมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกตัวนะจะในรูปแบบจะนอกรูปแบบความเป็นปกติมันก็จะสังเกตได้อยู่บ่อยๆเนะ่ยแต่ก็ น, นี้มา ให้เสริมตรงที่ว่าในรูปแบบเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจสติปัฏฐานน้ปรากฏแล้วเนี่ยมันจะไหลไปเหรอคะเนี่ยมันพาเราเกี่ยวข้องตามเหตุตามปัจจัยตลอดวันตลอดวันแล้วไม่ทุกขนะ์มีหน้าที่อะไรเราก็ทําไปเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเมื่อเช้าได้บอกกับแม่ชีอย่างหนึ่งว่าก็มีแม่ชีก็แม่ชีไปที่กุฏิ ก็เลยบอกว่าเราปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมีกรอบของเราเลยกรอบก็คือเราจะไม่ได้ทำตามใจตัวเราเองหรอกนะถ้าเราทำตามใจตัวเองหมายถึงว่ามีอารมณ์เราก็พาตัวเองไปหาอารมณ์หาตัวเองไม่เจอมันก็จะไปหาผู้อื่น <Yeah. S 1> ตัวเองต้องการอะไร <Yeah. S 1> มันก็จะไปหาสิ่งนั้น อันนี้เรียกว่าตัณหาเนี้ยนะอยากได้ของเนี่ยเราไปหาของแต่ไม่ใช่ของมันมาหาเราถ้าของมาหาเรานี่เหตุปัจจัยแต่ถ้าเราไปหาของเนี่ยอันนี้เราตามใจเราเองอันนี้กิเลสไงตัวนี้ยมันชัดๆอย่างเงี้ยแปลงเป็นิสูจน์ว่าเราปกตินะเดี๋ยวมันมาสุขมันก็มาไม่ใช่เราไปหาสุขภพกรัพย์มันก็มาไม่ใช่เราไปหาภพกระซับแล้วก็ ความเย็นมันก็เกิดจากข้างในเขาด่าเรายังเย็นเลยนึกออกไหมความเย็นอยู่ข้างไหนไม่ได้ว่าเขาทําให้เราเย็นไปเลยแต่เราอจะไปทําให้เขาเย็นเขาโกรธแล้วไม่โกรธเงี้ยเขาไม่รักแต่เรามีความรักเราก็ให้เขาได้เนี้ยเดี๋ยวตัวอย่าองอาให้ฟังแต่ตัวนี้นั่นหมายถึงว่ามันเกิดจากข้างในด้านใน <S <S 1> <S 1> คือพอมีความสุขจากข้างในแล้วเนะี่ย มันก็ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกนะจริงๆแล้วตรงนี้แหละที่เรียกว่าอิสระภาพนะแล้วคอยดูนะคนไม่อยากได้อาจจะได้แล้วคนที่อยากได้จะไม่ได้มันก็แปลกลนะกฎของธรรมาชาติเพราะฉะนั้นก็ถึงว่าให้เราดูแลตัวเองให้ดีนั่งเดินยืนนอนจะกินจะขับถ่ายจักรวาลทั้งหมดมันก็ว่าจิตมันมีกําลังมีแรงใจข้าในมันมีแรงฮะ ถึงตรงนี้แล้วก็เออ น, นั่นนะ่ะนอกรูปแบบทําไปเลยก็ใช้ชีวิตไปเดี๋ยวก็มีเรื่องต้องทําต้องกิ๊กต้องเกี่ยวต้องคล้องกันนี่นะพอกระกจายได้ไฉนะนัะ้นการที่เรามาวัดเนี่ยควรมีกรอบมีรูปแบบสั้ลงไปเลยอย่างที่นี้อัตอลักษณ์เอกลักษณ์ก็เคลื่อนมือสิบสี่จังหวะเราจะเห็นเลยพอเราเคลื่อนอันนั้นน่ะโอ้โหข้างในมันไปกวนอะไรแสดงตัวออกมาม า, มากมายเหลือเกิน ก็เลยเคยเปรียบเทียบว่าเมื่อเราอยู่ในลักษณะของที่สูงที่สูงแรงดันข้างนอกเปรียบเหมือนกับอารมณ์ภายนอกนะมันน้อยเมื่อมันน้อยปั๊บแรงดันข้างในมันก็ดันออกเลยครันี่ถ้าเราอยู่ข้างล่างอารมณ์ข้างนอกมันเยอะความกดอากาศมันสูงมันก็เลยกดอัดลงมาพอกดอัดลงมาเนี่ย ข้างในเลยไม่มีพลังแต่ข้างนอกมีพลังให้เปรียบเทียบอย่างนี้นะว่าเวลายอยู่วะนะัดนี่ยอข้างในเนี่ยมันตีออกมามากจังความคิดเนี่ยโดยเว่าจริตนิสัยความทรงจําต่างๆที่เขาเรียกว่าจริตนั่นแหละนะโตะษาจริตโมหาจริตโลภะจราาิตลาข้าจริตพุทธจริตพอเราเริ่มมัมีกรอบให้กับมันนะโอ้มันยิ่งๆเลยนะ คนไม่เคยกินกาแฟไม่มีปัญหาแนตะ่คนเคยกินกาแฟก็จะมีปัญหาทันทีคนไม่เคยสูบบุหรี่ไม่มีปัญหาแต่คนมีบุหรี่นี่คนตินอยู่ในร่างกายมีปัญหาทันทีคนเคยใช้ชีวิตยอย่างสบายอินทรีย์ลูกคนหนูนะพอมาอยู่อย่างนี้ปับ๊บโอ้มันไม่ได้ดังใจมันจะแดงตัวทันทนะีเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวนะ่นจึงเป็นหลักของกรรมฐานโนะผล่เข้าไว้ให้ดีๆ การเคลื่อนการไหวของกายแต่ละขระหนะก็เรียกว่ารูปแบบ น, นนะน่ะที่เรายกเนี้ยเอามาอ่านได้อ่านได้มันคืออะไรบางคนยกไปไงเงี้ยแหละยกไปไงเงั้นแหละแต่มันไม่ได้ยกไปไงันนะเอามารู้เลยว่าเวลายกแต่ขะะหนานะมันมีการเคลื่อนมีการจบเลยนะไม่เริ่มมีจบเลยนะแล้วก็มันจําลองความไม่สุขไม่ทุกข์จำลองมาความไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเฉยก็ยกเฉะยเฉะยนะในตัวเฉยเฉยมันเป็นอุเบกขาธรรม อย่างน้นอยๆคุณทำรรของเบะขาเป็นทั้งพรหมแล้วก็เป็นทั้งพระเราได้ตัวนี้คืออะไรเป็นพรหมเป็นพระเลยทันทีเลยรู้เฉยๆนะเราเห็นแล้วาอ๋อการเคลื่อนแล้วก็กายมันก็เคลื่อนเฉยๆจิตมันปกติแล้วก็มีความรู้สึกเฉยๆขณะต่อขณะขณะต่อขณะมันเคยเคลื่อนไปแล้วก็ไม่เฉยตบยงุงยกมือเฮ้ยเล ย, ยนะ์ยาละยาอันนั้น จิตมันสั่งอันนี้นี่ครันได้ฟังแต่นิีมกลายเป็นว่าโอเราเครื่องแล้วก็ไม่สุกไม่ทุกแล้วพอไปทำธรรท่าเออเออมันรู้แล้วเออไม่ปกติอะไรนะเนี่ยกลับมาปกติใช่ไหมไม่เคยใช้มือใช้ไม้แบบไม่ปกติมันมันเริ่มสังเกตได้ปะเวลายกปกติแต่ละจังหวะ น, นะเราก็ไปทําแบบปกติบางทีหยิบถ้วยหยิบจ้อนหยิบจานเป็นปกติอันี้เป็นนักออกแบบนี่ยเรก็หยิบ ปากกาแต่เรนนี่ไม่ได้ออกแบบทีป่ปากกามันใช้คอมพิวเตอร์อะไรใช่ไหมใช้เมาส์อย่งี้นะนก็เรื่อนไปหยิบหยิบไมโครโฟนหยิบอะไรก็ตามมันก็เป็นการหยิบโดยปกติไอ้ตรง น, นละคือความไม่ทุกการเคลื่อนของมือโดยเจตนาการเคลื่อนของเท้าส่วนใหญ่การเคลื่อนเท้านี่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปตลอดขยับปั๊บอย่างเงี้ยถ้าฝนตกหน่อยๆแล้วเหตุทุกข์ชั่คาขยับปั๊บ จะรีไปหาเห็ดอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็จะไม่ไปอนะเห็ดอยู่ทั้งไหนเห็ดอยู่ทังไหนเห็ดอยู่ทังไหนเวียนแล้วก็เวียนอีกอย่นั้นนะเดินยังกลมนี่ไม่เป็นสุกเลยตานี่ยนะครูไม่รูนั้นใครเอาไปยังว่าอย่างนี้เอาใบยางปิดไว้นี่ใครเอาไปยังว่าอย่างนี้มึงจะมองแต่เห็ดนั่นแหละเพลนไปเลยนะไม่ง่วงช่วงนี้เห็ดไม่ค่อยออกเดินง่วงนเนาะเดี๋ยวรอเห็ดอ่อยนี่ก็ตื่นอาจารย์เห็ดแกง่วง หรืหอแม้กระที่เห็นพระนี่เป็นยาตาแจ้งอะไรนะเหลืองๆมาในตื่นฟึบขึ้นมาแล้วโอพระมาพระมาหายง่วงปิดทิ้งเลยยาตาแจ้งอันนี้เราเป็นสิ่งแวดล้อมเราเลยมารวมตัวกันแบบเนี้นะมีการพูดแบบนี้มีการกระทําแบบนี้นะ mm hmm. เพื่ออะไรล่ะเพื่อท้ายสุด่ะเราเข้าใจแล้วเราก็ไปใช้ะจะแบบไหนแบบไหนก็ใช้ไปด้วยความไม่ทุกข์กันล้วกัน mm hmm. ไม่ก่อเวียนก่อกรรมเป็นธรรมชาติคิดเป็นธรรมชาติทําเป็นธรรมชาติ พูดเป็นธรรมชาติไปไม่ได้เสียแ้งเป็นเรื่องบุคลิกของใครของมันราคานียไม่ว่ากันเขาก็เป็นของเขาเราก็เป็นของเราแต่ก็คุยกันรู้เรื่องเข้ากันได้ทุกคนไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเรา่มอยู่ด้วยปัญญาเกี่ยวข้องด้วยปัญญามันจึงมีความหมายนะปฏิบัติธรรมนะความหมายของการเนัธรรมก็คือ ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเราจะไม่เบียดเบียนเราทุกกรณีอาจมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่รู้รู้ได้ได้ไวเมื่อก่อนมันหลงไม่นานจะตลังมันเบียดเบียนจะตรองโอ้ไกลเป็นเวรเป็นกรรมเป็นวิบากให้สังเกตเราจะรู้จักทันทีนะอย่างเช่นว่าตัวคิดดีพูดดีทำดีเราสังเกตได้ว่า มันเกิดความอร่อยเกิดความสุขขึ้นมาอิ่มมีปิติไงนะแต่ว่ามันจะมีพักเดียวนั้นให้สังเกต ด, ดูแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปขนขาย ห, หางานอื่นทำใหม่สังเกตได้ไหมสมมติถ้ารับงานถ้าเราทํางานก็เหมือนกันเราก็ได้เงินมาที่แรกก็ได้เงินมากำไรห้าบาทรู้สึกดีใจแต่ครั้งที่สองหาบาทจะรู้สึกเฉยเฉยอย่างเงี้ยนะ แรกจะดีใจอยู่แต่ก็ไม่เท่าครั้งแรกพอวันหลังต้องได้10 บ, บาทถึงจะเออดีใจเหมือนกับครั้งแรกแต่ว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นทํางานหนักขึ้นแล้วก็รู้สึกมีความสุขและเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วจะ ต, ต้องความสุขสูงขึ้นมูลค่าสูงขึ้นทํางานหนักขึ้นท้ายสุดก็คือพบชาตินั่นเองพบชาติของสวรรค์ที่เราจะต้อง หลวงพ่อเทนบอกว่าเราจะรู้ทันทีว่าเราทํางานชิ้นเนี้ยเราพูดอย่างเนี้ยเราคิดอย่างเนี้มันจะมีความสุขนานเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีหลวงพ่อเทียนเลยบอกว่าเราจะขึ้นสวรรค์กี่วันกี่เดือนกี่ปีเราจะรู้ทันทีโอ้ยมาตรงนี้แท้ๆเลยนะคนก็เลยพยายามที่จะทำอะไรแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยท้ายสุดก็คือเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดโอ้ได้เห็นเลยตัวนี้ แต่ว่าในทางพุทศาสนาบอกว่าเราก็ไม่ประมาณปรมาถาศภาวะให้แม้กระทั่งชีวิต่เป็นลักษณะของโพธิสัตว์ว่ากันเรารู้จักอ๋อลักษณะอย่างนี้ทำจนตายตายก็ไม่ได้เสียดายอะไรนัีนเป็นลณาของอาการที่เราโพธิสัตว์หรือว่ามีงานต้องทำก็ทำไปจนหมดอายุขไขไปอะไรเโอ้มันมีจริงๆภูมิจิต สังเกต ด, ดูคนก็เลยชอบคิดโครงการใหม่ๆว่าไหมไปได้ความสุขใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดแต่ไม่มันแตกต่างจากพระหรือว่านักปฏิบัติที่เราอยู่แบบปกติของเราอยู่แล้วก็มีสิ่งมาให้เราทําเราไม่ได้ว่าทำแล้วดีทําแล้วมีความสุขแต่มาให้ทําก็ทําไม่มีใครทําก็ทําอย่างเนี้ยมันเห็นมันเห็นอย่างนั้นเลย มันก็เลยอยไปวันๆนะทำงานตั้งวันเหมือนไม่ได้ทำอะไรทำแล้วก็แล้วไปทำแล้วก็แล้วไปทำดีไม่ติดดีอย่างเนี้ยดีไห่ยอมมาดีไห ม, ม, ไหมเรียกว่าเคลื่อนไหวปฏิบัติธรรมแล้วไม่ติดการปฏิบัติธรรมไม่ติดรูปแบบแต่ก็ทำอยู่ mm. นะเพราะฉะนั้นคนใช้เงินไม่ติดเงินมีนะมีคนใช้เงินติดเงินก็มี mm. นะ นั้นลัหษณะของสตินี่เกี่ยวข้องอะไรสิ่งนั้นก็ปลอดภัยทั้งหมดเลยโอ้มันมีจริงๆอยู่เหนือกรรมทําแล้วก็แล้วไปทําแล้วก็แล้วไปทําแล้วก็แล้วไปอยู่กับปัญญาวัฒนปัญญวัฒนแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะจิงก็ปกติปกติปกติดีดีตัวนี้เราก็มาศึกษากันแล้วก็ลองแบ่งปันกันแต่ละคนรู้อะไรมาที่นี่แล้วก็ปฏิบัติแล้วมันเป็นยังไงอารมณ์ปฏิบัติ มีครูบาอาจารย์มากมายทีนี้ศนระัทธาใครก็ไปหาคนนั้นนะแล้วก็รับผิดชอบเอาถือว่าเราเป็นเพื่อนเป็นกระไรมิตรซึ่งกันและกันนะมีมีประสบการณ์ไม่พาไปทางที่เสื่อมในว่าเรื่องของอารมณ์ปฏิบัติการเคลื่อนการไหวแต่ละคนนะที่เคลื่อนนะรับรองได้เลยเดินเดินทางเดียวกันเช่นว่ายกมือแล้วก็ต้องง่วงนะอย่างเมื่อกี้มาที่มาพูดกับว่านั่งง่วงนะฟังนะนั่งง่วง ยกมืออยู่งวงใช่ไห อ, อพอมานั่งอยู่นี้ตื่นไหมเหนี่อก็เป็นเพื่อนให้ไงเป็นเพื่อนใหมันก็ตื่นขึ้นไปกเหมนกันนั่นแหละเราทุกคนก็เป็นเพื่อนกันมีอะไรก็พยายามนะไม่ไม่กลัว อ, อารมณ์แล้วก็อารมณ์ไหนที่มันเกิดขึ้นนะอารมณ์นั้นนะคือโจทย์ที่มาให้เราได้เฉลยให้เราตอบแล้วก็ผ่านเป็นตัวปัญญาทั้งหมดเลย นดีเนาะมีละหลายอย่างอย่างเห็นแม่ชีสีก็เรื่องสุขภาพกายดีดีอะไรก็ได้กำลังขึ้นมาใหม่แม่ชีสีนี่พวกโยมหน่อยพวกหมอหนาวเนียเราก็เอากำลังแบบนี้มาช่วยให้กรรมฐานมันเจริญงอกงามแล้วให้ทุกคนได้มีแรงกายแรงใจวิทยายศึกษาธรรหมนะ เาท่าเหมือนกับว่าชีวิตมันจะเหลือเท่าไรไม่ว่ากันแต่ว่าเราก็จะทำดีให้ถึงที่สุดอย่างนี้เนาะดีไหมถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมเราก็จะแบบทำกันนี้ถึงที่สุดนั่นแหละไม่ไม่เฉยเฉยหรือว่าหันหลีหันขวางละละละละังเราพยายามที่จะเดินไปหนึ่งก้าวอย่างมั่นคงก็คือเดินไปด้วยความรู้สึกดี๋ยวพิธีฐานกายนะอันนี้ไม่ใช่การยกเม่ ประานกายเป็นวัตถุรูปธรรมและเมื่อเรารู้สึกตัวแต่ละขณะจิตกํลาลังเดินทางแน่นอนนะทุกครั้งที่เห็นความคิดหนะรือว่ายังไม่เห็นมันรู้ทันหนะรือว่ามันไม่รู้ทันมันเข้าไปอยู่ขณะที่อยู่กับกายมันก็ไม่ได้อยู่กับความคิดขณะที่อยู่ความคิดมันไม่ได้อยู่กับกายนะมันก็ยังเป็นเรื่องของพัฒนาการอยู่ดีนะมันเป็นความรูนะ้ที่มันเกิดขึ้นมาตามสมควรแก่การปฏิบัตนะิของผู้ปฏิบัติที่พึงจะรู้จะเห็น ตามกําลังของสติของปัญญาแต่ละขณะแต่ละขณะนะไอ้เ น, นี้ยนะเพราะฉะนั้นเราก็จึงเป็นกันนญานมิตรนะที่จะพาไปถูทางสู่ทางที่ไม่เสื่อมนะหนทางในการพ้นทุกข์ก็คือมาติฐานสูตรนะนอกจากที่เราจะมีสตินะมันก็ยังจะมีสมาธิแล้วก็เกิดการแตกฉานมากมายแลือเกินนะมันแตกแน่นอนแต่ว่า เบื้องต้นเนี่ยอย่าเพิ่มไปให้ค่ากับความคิดเพราะมันจะเป็นอารมณ์วิตกวิจารณ์ทั้งหมดเลยเวลาปฏิบัติมันจะไปผ้าวิจารณ์ <riding> เรื่องของตัวเราเ <S 1> <S 1> แล้วก็ท้ายสุดก็เป็นอารมณ์วิตกวิจารณ์เรื่องของตัวเราเเพอเรารเริ่มที่จะเข้าใจว่าตัววิตกวิจาร์คือตัวคิด <S <S แต่เป็นความคิดที่เป็นตัวปัญญาที่เริ่มแตกฉานอย่างเงี้ยแต่เราไม่ค่าเขา เรากลับมารู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกอย่างเงี้ยอันนี้เรามันก็จะกลายเป็นเรื่องของปัญญาภาวนาที่มันรู้ทันความคิดเห็นความคิดแล้วก็ไม่เอาความคิดพอมารู้แล้วว่าความคิดคือสมมติฐานของความทุกข์คิดดีคิดชั่วคิดพอใจคิดไม่พอใจคิดสุขคิดทุกข์ต่างๆมันก็จะเป็นลรื่องของปรมตถาสภาวะคือมันสักแต่ว่าเกิดขึ้นมา เมื่อเช้าถ้าใครมาฟังหลวงพ่อมเขียนเทศเนี่ยโอ้โหสักตะว่าสักทะว่าท่านพูดสักตว่าเ ล, ละเมื่อเช้านะใช่ไหมเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักตวาได้ยินกลิ่นก็สักว่ากลิ่นนะอันนี้ก็คือลักษณะของอายานนภป ะ, ะนะมาด้วยการกระทบที่ผัสสะทะลุทันผัสสะปั๊บไม่ทุกทันทีอันนี้แหละเวลาเราเคลื่อนมือล้วก็รู้สึกกระทบมันก็รู้ที่ผัสสะนั่นะแหละเหมือนกัน พอตาเรากระทบมันก็สักแต่ว่ามันก็รู้ที่ภาษาคือมันไม่มีความคิดเข้าไปใส่ในวัตถุที่เราเห็นหรือว่าที่เราได้ยินหรือว่าริมรถทางทะวัน6นั่นแหละดีดีดเนาะเล้วันนี้เราสมควรแก่วลาเรากลาบมาพร้อมกัน